พระธรรมเทศนาแผ่นที่95้าาลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่26สิงหาคม2559มีชื่อเรื่องว่าคนไม่ดีแอนตี้ธรรมวันนี้เป็นวันที่26สห สิงหาคมพุทธศักราช 2,559 วันนี้เป็นวันแรมแปดข้าวันเป็นวันพระแดาแรม8ด ข, ข้ า, า, า, เ, าเดือนเกเข้าพรรษามาเดือนหนึ่งกับเจดวันวันนี้พวกเราได้สมาทานศีลบโบสดจบลงสักครู่นี้ต่อนนี้ไปหลวงพ่อจะเล่ากล่าวเรื่อง ที่หลวงพ่อไปที่ไหนมาพึ่งมาฉันที่นี่ไปหลายวันนะคณศธั า, ายาติโรมลูกหลานไปจนถึงฝายน้ำล้นจะแตกวันฝนตกที่หลังหลวงพอ่โอโ อ, อ้เกือบฝายน้ำที่พวกเราทำเกือบแตกตะลุไปเห็นเมื่อวานเนี่ยนั่นแหละ ช่วงหลงพ่อไม่อยู่ฝนขโมยตกตลบหลังหลวงพอ่อหลวงพ่อลงไปกรุงเทพตั้งแต่วันที่20สลูกหลานวันเสาร์ที่ยี่สไปพักที่สวนแสนธรรมวันที่21เอชา้าทำบุญครบรอบ13ปีของคุณหมอคุณยายหมออุไรวันกับ คุณโยมสกุลที่เป็นเจ้าของถวายที่ดินถวายองค์หลวงตานะที่สวนแจงธรรมคณะสัททาญาติโยมก็ล้นหลามตอนเช้าวันอาทิตย์วันนั้นหนะลวงพ่อก็เลยไปฉันที่พร้อมกับพระที่ไปด้วยกันลูกสิบสิบข้องค์นะับนับรูปวันนั้นนะแล้วก็วันวันจันทร์หลวงพ่อก็เลยไปฉันอยู่ที่จิตโภชนาปาก ที่เคยไปฉันศรัทายาโยมลูกหลานที่มนต์ไปที่นั่นอีกโอ้ไปที่จิตโภชนาคิดว่าออกตั้งแต่ตี5าคิดว่าจะไปถึงที่หนุนเจ็ดโมงแต่ที่ไหนได้ไปรถติดอยู่ในกรุงเทพโดโตมองด้วยสุดลูกหงลูกตาขิว่าจะไปถึงได้8โมงกว่าไปถึงที่งานจากนั้นก็ได้ไปสวดมนต์ เสร็จแล้วก็ชันจังหันมีอะไรกับพูดอย่างที่หลวงพ่อไดียพูดเดี๋ยวนี้แหละเพื่อได้พบไปพบกับคณะทั์ทาญาติโยมต้องเด็กโอภาปาศัยกันควรจะกล่าวธรรมะให้เป็นที่รื่นงเริงทางด้านจิตใจถ้าเราไปเห็นกันแล้วก็ีิต่ชันจังหันแล้วก็ยังไงยังไงอยูอ่ถึงยังไงก็มีโอกาสก็ได้พูดได้กล่าวอะไรให้ ได้ยินได้ฟังบ้างเพื่อเป็นแนวการเพื่อเป็นแนวความคิดทางด้านจิตใจเพราะฉะนั้นเมื่อฉันจังหารเสร็จแล้วก็าทางแบงค์ชาตินี่มนอีกไปแสดงธรรมตอนเที่ยงเพราะว่าเขาจะใช้เวลาเวลาเที่ยงให้เกิดประโยชน์ เ, เขาจะไม่ เ, เสียเวลาจากนั้นหลวงพ่อกับไปถึงตอนเที่ยงครับไปถึงพอดีก็ขึ้นธรรมมาศเลยก็ได้แสดงธรรม ที่แบงชาิแต่ก็ลวงพ่อก็ได้กล่าวอ้างอิงถึงพินัยกรรมของหลวงตาเพื่อจะให้แบงชาิทบทวนดูเพื่อจะให้คนในแบงชา้เห็นความสาคัญการเสียสละขององหลวงตาองหลวงตาเหือกสุดท้ายหายใจของท่านท่านยังมีพินัยกรรมว่าเมื่อเราตายไปแล้วเงินทุกบาททุกจิตตังที่มาในงานศพของเรา ให้นําไปซื้อทองคําแล้วนําทองคํามาหลอมเป็นให้เป็นทองคําแท่งไอ้มอบให้กับแบงก์ชาติแบบให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยลุงตามีน้ําใจมีเมตตาถึงขนาดนั้นลักษณะศรัทธาญาติโยมมอบไปแล้วเพื่ออะไรไอ้มอบให้แบงก์ชาติเพื่อให้แบงก์ชาติแข็งแกร่งเป็น เ, เป็นโนดอยู่ที่นั่น เวลาพิมพ์ธนบัตรพิมพ์เงินกระดาษออกมาใช้เงินกระดาษของเราก็จะได้มีคุณค่าเพราะเหตุไรเพราะมีทองคำเป็นเครื่องค้ำประกันเงินบาทเงินกระดาษของพวกเราถ้าหากว่าพวกเราไม่มีอะไรค้ำประกันเงินมันราคามันจะถูกนะอย่าง เ, เงินประเทศลาวอย่างนีนะ้ราคามันถูกเพราะเหตุไรเพราะอาจจะไม่มีทองคำก็ได้ หลือเขอาจจะไม่แสดงออกมาก็ได้นะแต่เงินไทยของเราเนี่ยหลวงตาบอกว่าควรจะมีทองคำค้ำประกันนะนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงตาให้ความเมตตาได้ทองคำทั้งหมดเมื่อหลวงตาจุดตินิพพานไปแล้วนะได้ทองคำทั้งหมด13ตันกว่าและก็เงิน10ล้านกว่าดอลลารนะ์ที่อยู่ในคลังหลวงที่หลวงตาหาให้คลังให้กับประเทศชาติบ้านเมืองนะ เนวันที่22หลวงพ่อก็ได้แสดงธรรมตรงนั้นแหละหลวงพ่อก็ได้พูดได้กล่าวอย่างนี้แหละให้กับคณะลูกหลานแบงค์ชาติได้รับโผลรับทราบนะและก็วันที่23กระชั้นที่สวนแสงธรรม24ฉันท์ที่สวนแสงธรรมเสร็จแล้วก็ได้ออกมาทําธุระจากนั้นก็ได้เดินทางวันที่24มาพักที่วัดของท่านรัตนะ วันที่25เมื่อวานนี้กลับมาทอดผ้าป่าสามัคคีที่วิทยาลัยเทคนิคนะเพื่อเขาจะสร้างโดมหอประชุมให้กับนักเรียนหนะลวงพ่อก็ได้มาเป็นประธานนะมันก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานฝ่ายคารวะหลวงพ่อเป็นป ร, ประธานฝ่ายสงฆ์เมื่อวานนี้พอเสร็จแล้วก็กลับมาวัดลูกหลานแล้วก็วันนี้เป็นวัน ผมมามาเห็นฝายจะแตกอย่างที่ว่านนะโอ้มาเห็นเลกันถ้ามันฝายแตกก็คงจะเสียหายมากแต่นี่ก็ยังเอาทันกันพอดีอยู่ใ น, นวันนี้ก็คงจะให้ช่วยๆกันดูเนอะพวกคณะทัทา ย, ยาททีมช่วยๆกันดูว่าจะเอาอยัางไงกันปรึกษากันแล้วก็วันนี้เป็นวันพระเพราเราจะสมาทานศีล ในรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เพราะว่าการประกอบคุณงามความดีของพวกเราอย่าไปชลาใจเพราะชีวิตของพวกเราวันคืนเดือนปีผ่านไปมันไม่ใช่ผ่านไปแต่วันคืนเดือนปีชีวิตของเราก็แก่ชลาไปเรื่อยๆใกล้เดินทางเข้าไปสู่มรณะภัยใกล้เข้าไปเรื่อยๆมันไม่ใช่แต่วันคืนเดือนปีผ่านไปนะ เพราะนั้นพวกเราท่านทัน้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทแต่หลวงพอลงไปกรุงเทพคราวนี้ก็ไปอยู่หลายวันก็ได้เห็นได้เจอในหลายแนวบางทีญาติโยมก็มาถามเอ๊หลวงพอ่อมีคนคนวัดคนวาของเรานี่แหละเขาหล่อทองหล่อรูปครูบาอาจารย์ แต่ที่ทำไมเขา จ, จึงต่อมาเมื่อเขาป่วยเขาร้อนตัวทั้งวัน เ, น เ, เหมือนกับมีไฟเผาอย่างในร่างกายลักษณะอย่างงันดาบหลวงพอ่ออืหลวงพ่อเคยได้ยินนะาบาปกรรมในปัจจุบันมันมีนะนี่แหละให้ระวังนะหลวงปู่จามที่เป็นหลวงอาหลวงพอ่อท่านบอกว่า ท่านไปอยู่ทางเชียงใหม่เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองเก่าแก่มีมีวัตถุบางทีคนโบราณเขาก่อมีพระมีพระทองคำบางพระนาคบังพระ อ, อยู่ในโบสถ์อยู่ในวิหาราบางทีเขาไปคูดไดก้กุแตกบังางโที่สูตรก็มาหลอมอามาหลอมพระที่เป็นพระทองคำมาหลอมให้เป็นทองคำแล้วเอาไปขาย แล้วก็บางทีก็มาหลอมให้เป็นมันพระองค์ที่บางทีก็เสียนขาดบ้างบ้างอะไรกันนั่นเขาขาดบ้างขาแขนขาดบ้างลักษณะก็มาหลอมออมาหลอมเข้าไปแล้วก็เป็นหล่อบางทีก็หลอมเป็นทองเออทิ้งทิ้งขว่างๆนะท่านว่านมันเป็นบาปกรรมแน่อหลวงปู่จามวะนะ คนใดก็ตามถ้าทําอย่างนั้นแต่แปลร้อนทั้งตัวเลยล่ะเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยจะเห็นได้ชัดเดยไฟเหมือนกับไฟนรกหล่นลักษณะอย่างนั้นแหละหลวงปู่จามว่านนะหมอแม่นหลวงพ่อว่านะเออมันจะร้อนเลยเอร้อนทั้งตนทั้งตัวเลยลักษณะอย่างนั้น่ะเออมันเป็นบาปนะไปไปหล่อหลอมพระเก่าแก่พระบุกพระโบราณเพราะว่าเขาเคยปลุกเสกมาแล้วอธิษฐานจิตมาแล้ว พวกเราไปทําอย่างนั้นไปทําได้ยังไงถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็มีตั้งแต่หล่อปูนขึ้นมากะเออเอาไว้ในท้องพระปูนซะเก็บไว้ที่มันชำรชดชดโฉมแล้วก็มีหล่อพระปูนขึ้นมาทดแทนอันนั้นอาจจะจะเป็นบุญเป็นกุศลถ้าจะไปหลอมไปถลุงนะ่ะไม่น่าจะทำํำแล้วก็ทีนี้ท่านก็มาที่บ้านห้วยสายปีนั่นแหะปี 2 5 8 5 9 0 9หลวงปู่จามที่เป็นหลวงอามาที่บ้านห้วยสายพอมาเห็นโยมโยมผู้ชายโยมน้าชายของท่านโยมน้าชายของท่านโอ้นอนไม่ได้ร้อนจนได้เอาใบตองกล้วยใบตองกล้วยดิบๆนีนะ่มาปูจตไหมย่เขาไม่มีน้ำแข็งบันนอกใช่ไหมเขาก็เอาน่แหละเอาน้ำสาด เอาน้ำสาดพลาดใบกล้วยนะให้มันเย็นแล้วก็ขึ้นนอนพอขึ้นนอนขึ้นมากเอ า, เอาลูกเพกขึ้นมาอีกเอาใบกล้วยล่องอีกเนี่ยสาดาน้ำสเสีอีกลักษณะอย่างนั้นแหะมันร้อนนะมันร้อนหลังฮนะมันร้อนทั้งหมดทั้งร้อนหลังนะเนีหลวงปู่จามก็ขึ้นไปกับอัตมาเนี่ยนะอัตมาก็เป็นผู้ติดตามหลวงอาไปพอไปเห็นเอ๊ะท่านบอกว่ามันลักษณะอย่างนี้เนะี่ยมันเหมือนกับ หลอมหลอมพระนะทวานะตั้งเป็นทางเมืองเชียงใหม่เาว่าหลอมพระแต่เป็นลักษณะนี้นะทุกลนทุลายอย่างนี้นะแต่นี่ไม่น่าจะเป็นเป็นหลอมพระที่ไหนวาจะไปทำที่ไหนนะกรรมอย่างนี้นะทีนี้เขาก็เลยมาพูดให้ฟังว่าเนี่ยสมัยก่อนเนะี่ยทำบิ่งนะทำเกียร์นะมีพระตั้งเยอะแยะไปทีนี้ก็มีอาจารย์องค์หนึ่งก็มาตั้งเตาอย่ใ น, น ในบ้านห้วยทายน่ยนะเตาอยู่น่ไกลไก่น้ำบอ่อเนะตั้งเตาขึ้นมานหาไม้ฟืนไม้แดงมาเลยก็มาหลอมหลอมพระพวกตีคอหักเสียนหักอะไรลักษณะอย่างนั้นนะองค์พิคงพิการที่ว่าแท่นวงท่านแว่งไปแลวก็มาหลอมอามาสูบมันสูบมันไฟไม่พอพระก็เลยกระลุงกระเล่งไปว่างมันไม่ไมละลายนะผูกอย่างงยเทไม่ได้ หลอมไม่ได้ก็เสียหายไปพอสมควรนะหลวงปู่จามเออใช่มันคงจะเป็นอย่างนั้นแหละนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นอุทาหรณ์อันหนึ่งเหมือนกันนะกนทตายาโฉมลูกหลานนะยาวายาวากรรมไม่มีบาปไม่มีไม่ใช่นะมันมีนะบาปนะ เ, เพราะนะั้นสิ่งไหนก็ตามที่ทําไม่ถูกนะบาปกรรมตามสนองนะออ ท, ทําที่สิ่งไหนก็ตามที่พูดออกไปแล้วนะบาปกรรมตนนะั้นจะตามสนองนะ บาปกรรมจะให้ผลอย่างไปปีวันคราวนี่ก็เหมือนกันนะมีศรัทธาญาจโจง ม, มีหลายคนวางมากาบคารวะเอาเทียนแพรมากาบคารวะหลวงพ่อขออโหสิกรรมที่ได้ทําหรือว่าได้คิดได้พูดออกไปขอหลวงพ่อหลวงพ่อโอโหสิกรรมให้ด้วยก็ยังดีเขาเห็นโทษนะ ไม่รู้อะไรเราก็ไม่ได้ถามเขาประมาทหลวงพ่อเรื่องอะไรหลวงพ่อก็ไม่ทราบเหมือนกันนะั่นแหละหลวงพ่อก็ไม่ทืดโทษโกรธเกลื่องให้กับใครๆอยู่แล้วไนะเอออ้าวเรายินดีอโหสีก ร, รมให้นอะร์กรรมใดก็ตามที่ได้ประมาทพลาดพังกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหลวงพ่อยินดีอโหสีก ร, รมไพเนอะร์จูเย็นเป็นสุขนะบัดนี้นะแต่อย่าประมาทอีกนะให้สำรวมระวัง สิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในเรื่องที่มันไม่ดีถ้าพักทำถ้าคิดทาพูดออกไปแล้วกรรมช่วยจะให้ผลตนเองนั่นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังแต่หลวงพ่อเองยินดีโอ้โหสิกรรมให้แต่ว่าเมื่อจูเจ้าทำลงไปแล้วจะทำยังไงได้กรรมก็ต้องให้ผลอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านมีเมตตาขนาดไหนแต่พระเทวทัต อิจฉาพระพุทธเจ้าในจิตในใจพระพุทธเจ้าตรัสยังไงพูดยังไงเพชรมดแอนตี้มดพาบริวารเพราะมีความอิจฉาอยู่ในใจถ้าจะพูดโูรขนาดไหนก็มีความอิจฉาอยู่ในใจเพชรเพระเาะอะไรไม่ไปถูกใจตัวเองฮะมันเพชรมันผิดมันผิดใจของตัวเองเอพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้เพชรมันน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะความอิจฉาอยู่ในจิตใจ เพราะพระพุเจ้าท่านก็ไม่ฝ่าอะไรเพราะเหตุผลมันมีอย่างไงมันก็เป็นอย่างนั้นผลที่สุดนั่นแหะพระเทวทัตของท่านท่านก็ไปสวยกรรมจนมาสํานึกได้โค้งสุดท้ายโอ้ข้าพเจ้ามีความอิจฉาอยู่ในใจข้าพเจ้าจึงขอกราบคารวะพระพุทธเจ้าด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสิ่งใดก็ตามพระพุทธเจ้าโปรดโอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าข่าพระพุทธเจ้าด้วยเทอินะ พระพุทธเจ้าเอือเอาเราโอโหสิให้ อ, อันนี้ก็ยังเป็นผลดีพระเทวทัตเออรับพยากรณว่าในอนาคตจะได้เป็นพระพุทธจะได้เป็นพระปฏิเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตถ้าว่าพระเทวทัตไม่เห็นโทษในการกล่าวยอมรับคารวะพระพุทธเจ้าเทวทัตจะไม่ได้รับพยากรณ์แปลว่า หายเงียบไปเลยนานเท่านานไม่ได้รับพยากรณ์เลยนี่แหละนี่อันนี้สรุปแล้วก็คือกรรมคือการกระทําเมื่อใครทํากรรมจึงไหนไว้กรรมนั้นจะตามสำนองสนองสมควรแก่กรรมที่ตนได้กระทาไว้เอามันช่วยไม่ได้เพราะใครทํากรรมอันไหนไว้กรรมนั้นจะตามสนอง เ, อเพราะฉนั้นกรรมชั่วอย่าทําเสดยดีกว่า เมื่อทำกรรมชั่วลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังแต่เมื่อท่านไม่ได้ถือโทษโกษรธเคืองจะหาดาาา่าว่ากล่าวก็เถอะท่านก็ไม่ว่าอะไรเอาเลยจะดุด่าว่ากลายังไงเอาเลยตามสบายแต่ว่าเมื่อกรรมให้ผลนั่นแหละตนเองนั่นแลจะเดือดร้อนแต่ท่านก็ไม่ได้ถือโทษโกรธโกรธเคืองหรอก ใครไปจับไฟที่ไหนก็ไปจับสิเพราะมันร้อนเมื่อจับเข้าไปแล้วจะมาโทษจะมาโทษคนอื่นไม่ได้เพราะเองตัวเองไปจับไฟก็รู้อยู่แล้วมันพิษมันไม่ทุกมันเจตนาจุดนั้นคืออะไรถ้ามันมีเจตนาดีาดีมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมันก็ดีมาพูดกันเลย นี่แหละหลวงพ่อว่ากรรมชั่วอย่าทำจสได้ดีกว่ารั้นให้คณะทา ย, ยาทโจรลูกหลานทุกคนนะสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในเรื่องนั้นๆถ้าพูดลงไปแล้วกรรมชั่วเท่านั้นแหละจะให้ผลจะจําแนกกรรมนั่น น, น, น, น, น, นกรรมนั่นแหละจะจําแนกให้สรพพะสัตทั้งหลายเกิด แ, กแตกแตกต่างกันเมื่อมาเกิดแล้วนะ่ะคนหนึ่งตาบอดคนหนึ่งหูหนวกคนหนึ่งบ้าใบาเสียจิต เออเป็นบ้าเป็นบอก็เงักงักเที่พวกเราทั้งหลายได้เห็นพี่กงพี่การเฉลียวฉลาดปาดเปืองมีสติปัญญาล่ํารวยมั่งมีศรีสุขนี่แหละล้วนแล้วแต่กรรมเออกำให้ผลทั้งนั้นกรรมคือการกระทํากรรมคือกรรมดีเรียกว่ากุศลกรรมกรรมชั่วเรียกว่าอกุศลกรรมถ้าทํากรรมชั่วแล้ว่าอกุศลกรรม ถ้าทำกรรมดีแล้วกุศลลกรรมคนเรานะ่มันมีอยู่สองกรรมอัพยากตาทำอัพยาตาแปลว่าสิ่งที่ทำลงไปนะไม่เป็นบุญเป็นบาปมันก็มีอยู่เป็นกลางฮะอันนั้นหาได้ยากน้อยมีน้อยมันโดยมากมันจะไปไปทั้งสองข้างนะี่มากกว่าเพราะฉะนั้นให้พวกเราอยากวันนี้พวกเรามาทำกรรมดีนะมาสร้างบุญสร้างกุศลมาประกอบคุณงามความดี นั้นขอให้พวกเราจังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจพร้อม ก, กันก็อย่าลืมเรื่องภาวนานะแต่พวกหลวงพ่อพูดเรื่องกรรมยังไงก็ตามเรื่องทานก็เรื่องศีลก็เะแต่เรื่องภาวนานะถึงยังไงอย่าลืมก่อนหลับก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วนั่งภาวนาอย่างน้อยสิบนาทียี่สิบนาทีหรือลักษณะที่นอนกัพุทโธพุทโธพุทโธให้หลับไปเลยเถ้าไม่มีเวลาจริงๆเอง ยังมีลมหายใจเข้าออกก็ต้องมีเวล า, นะ เ, ราเราต้องหาเวลาให้ได้ไปคิดทําไมคิดเรื่องอะไรในก่อนที่เราจะนอนนะเรากู่ภาวนาพูดโธส์กำหนดพุดโธพุดโธพุโทโธให้มันหลับไปเลยเนะนี่แหละอันนี้แหละคือประกอบคุณงามความดีถึงจะน้อยนิดก็ยังมีคือบุญกุศลเข้าสู่จิตใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันไม่ดีก็เหมือนกันทามีแต่คิดชั่วปุงฟุ้งตลอดเวลา อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรคิดในทางชั่วช้าเสียหายอยู่ตลอดเวลากับเป็นบาปกุศลตลอดเหมือนกันนะนถ้าว่าคิดไปในทางกุศลก็จะเป็นกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราได้เกิดมาได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พบคุณงามความดีที่ท่านบอกกล่าวมาแล้วพวกเราควรจะประกอบคุณงามความดี อย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะคณะทศไทยญาติโยมลูกหลานนะชีวิตมันไม่ถึงร้อปีหรอกใครจะถูกใครจะปิดมันก็ตายด้วยการทางนั้นละ เ, เมื่อตายไปแล้วนั่นโค้งสุดท้ายนั่นแหละท่นี่ เ, เขาจะคิดบัญชีนะยมยมมาทูตเขาจะคิดบัญชีลนะท่นีเ่เกิดมาชาตินี้ได้กำไรหรือขาดทุนคนนะเขาจะถามาคุณขาดทุนนะเธอได้กําไรเธอขาดทุนเกิดมาชาตินี้ เขาจะคิดตัวเลขออกมาเลยถ้าว่าขาดทุนเขาเอาจับลงไปไปเผาอยู่ในนรกก่อนก็ได้นรกก็ไม่เต็มหรอกยังยังพ่องอยู่ถ้าคุณทำกรรมดีบุญกุศลก็จะพาเราไปสู่สุขติสวรรค์ก็ยังไม่เต็มมันพ่องอยู่ทั้งสองทั้งนรกทั้งสวรรค์นั่นแหละเพราะนั้นพวกเราอยาไปถึงานรกนะไปนรกแลมันนรกหมกไหม ขนาดเป็นมนุษย์ก็ยังไปหลอมหล่อพระก็ยังตัวร้อนทั้งวีทั้งวันหลวงปู่จามทันว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นให้พวกเราฟังเอาไว้แต่พูดทางนี้ทางนั้นอย่าเพิ่งเชื่อหลวงพ่อบอกอะไรก็ตามถ้าหลวงพ่อพูดอะไรออกไปอย่าเพิ่งเชื่ อ, อนำไปคิดนําไปกันกรองไต่ตองไปดูสกอร์สังเกต ด, ดูก่อนแต่อย่าทำนะไม่ใช่ว่า อ, อันนี้ไฟฟ้ามันมีไฟนั่นะอยู่นั้นนะเราจะไม่มีเครื่อง ไปแตะไปสายไฟเนะี่ยเอ้ยไม่มีหรอกเราไปจับสายไฟแล้วไฟช็อตตายนะเออนี่ก็เหมือนกันนะ่ะถึงจะไม่เชื่อก็ตามต้องให้สังเกตดูเขาบอกไฟนะเราก็ต้องดูซะก่อนมันมีไฟหรือเปล่านะเราจะเข้าไปใกล้มันเพราะไฟแรงสูงนะเออเราก็ต้องระวังระวังเออระวังไว้ดีกว่าเออไม่ใช่ว่าไม่เชื่อตาบอดไปไม่เชื่อใครทั้งหมด ไปจับสายไฟเข้านั่นแะไฟช็อตก็ตายได้ไง่ายๆเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่เชื่อใครนะเนี่ยใครพูดอะไรก็ไม่เชื่อผมมันก็ไม่ดีนะเพราะนั้นอย่าเพิ่งเชื่อคิดดูซะก่อนแต่ตรองดูซะก่อนที่หลวงพ่อพูดว่าดูก่อนสารีบุตรที่ตถาคตพูดไปนี่ที่ตรัสไปนี่บอกกล่าวไปนี่เธอเชื่อไหมอย่างก่อนพระเจ้าค่ะ พ่อข้าพระ อ, องค์ยังไม่ได้นําไปประพฤติปฏิบัติอ่อันนี้แหละดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายเอาเอาตัวอย่างสารีบุตรนี่นะถึงใครจะพูดก็เราตาถาคตพูดก็าตามอย่าเพิ่งเชื่ อ, อต้องนําไปคิดไปกันกลองไตรตองนําไปปฏิบัติ ด, ดูก่อนยังค่อยเชื่อนี่แหละอันนี้คือทำคำสอนของพุทธะเพราะฉะนนั้ขอยพวกเราถึงจะเป็นถูกสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าสุดท้ายปลายแดน อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะหลวงพ่อไม่แหงเชื่อใครง่ายๆนะใช้ปัญญาการกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลมีเหตุผลจริงจังยังไงยังคอยเชื่อนะอไม่ใช่วันดันทุนลังหัวชนฝาก็ไม่ใช่นะรับพร